มีเวลาจะเย็นไม่ถึงกับนับชีพไม่ลุกที่นับชีพไม่ลุกอยู่ก็เพราะใจไม่มีพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์อยู่ปล่อยให้โจรให้มาลมาอยู่จิตใจปล่อยให้ความโลภความโกรธความหลงมาเป็นเจ้าของใจไม่ยอมให้พระพุทธพระธรรมพระสงฆ์มาขี่รถเดี่ยวรถใส่ใจใถึงพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เป็นใจที่มีสละนะเป็นใจที่มีที่พึ่ง อันกเกษมคุณของพระพุทธธรรมพระสงฆ์ไม่มีประมาณคุณสัพพไตโลกธาตุมีประมาณสาัพพไตยจั ก, กรวาลก็มีประมาณคุณของพระพุทธคุณของพระพุทธธรรมพระสงฆ์ไม่มีประมาณถึงจะย่นลงมาเป็นพระพิเศษ ท, ที่คุณหรือพระปัญญาคุณหรือพระมหากรุณาคุณก็ตามก็เป็นคุณอันใหญ่ อ, อันใหญ่หลวงหาประมาณไม่ได้ ถึงจะขยายออกก็ไม่มีสิ่งที่ขยายเพราะมันครบโลกแล้วเพราะมันเต็มจั ก, กรวาลแล้วจะย่นลงมาก็ไม่มีที่จะย่นเพราะใหญ่โตของฐานไม่ขึ้นอยู่กับผู้รู้แม่ขึ้นอยู่กับผู้ไม่รู้เป็นจริงอยู่ไม่มีกลาวันกลางคืนทาแต่ละวัฏระบาดของพุทธศาสนาไม่ขึ้นอยู่กับท่านผู้รู้แม่ขึ้นอยู่กับท่านผู้ไม่รู้เป็นจริงอยู่ไม่มีกลาวันกลางคืนทําท่านไหนๆก็าตามทาแปลว่าทรงอยู่มีอยู่ ทรงไว้ซึ่งโลคีก็มีทรงไว้ซึ่งโลกุกลตระก็มีทรงซึ่งไว้โลคีก็มีอยู่ไม่มีกลางวักนกลางคืนทรงไว้ซึ่งโลกุตระก็มีอยู่ไม่มีกลางวักนกลางคืนแต่ทางโลคีพระพุทธศาสนาไม่ส่งเสริมไม่จัดเข้าในพรมจรรันทร์เบื้องต้นขององค์ท่านท่านจะจัดเข้าในพรมจรรันทร์เบื้องต้นขององค์ท่านก็คือผู้ที่ถึงไตรสนาคมยิ่งไม่หวั่นไหวต่อไตรสนาคม และไม่ถือศาสดาอื่นไม่ถือละที่อื่นๆมาผลเปเลยไม่หนักใจว่าจะไปถือศาสดาอื่นและก็ไม่สงสัยในใจด้วยและก็ไม่หนักใจด้วยผู้ที่สร้างามาแล้วยังต่ําต้อยอยู่ก็จําเป็นแม่เลื่อมใสใ น, นพระพุทธธรรมพระสงฆ์จิตเบื้องต้นของพระพุทธศาสนาให้เลื่อมใสใ น, นพระพุทธธรรมพระสงฆ์เสียก่อนจนถึงทุติย ต, ติ ก็ไม่ว่าแต่ทุกติส ต, ติละและลึกได้เมื่อได้ก็ดีอยู่ทุกว่าไม่มีประมาณที่แรกกว่าว่านะโมนะโมแปลว่านอบๆในพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ถึงพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เป็นสาธารกรมถึงสามครั้งเป็นพิธีแต่ไมไ่ถึงสามครั้งใช่แล้วถึงอยู่ทุกเวลาและลึกได้เมื่อได้กด็ดีผูกขาดจ่อขาดเะเอยจึงพากัน สมมุติรักษาศีลเป็นลําดับไปศีลเรารู้แล้วข้อนั้นเว้นอันนั้นข้อนี้เว้นอันนี้แล้วก็เว้นเพลิดทีเดียวเลยเรียกวิรักศีลเจตนาวิรัตตัดศีลอยที่ดวงใจตั้งมั่นลงที่ดวงใจพุทธธรรมสงทรงอยู่ที่ดวงใจไม่ต้องไปสงไปทรงมาที่อื่นความดีทั้งหลายทําดีแล้วก็ทสงอยู่ที่ดวงใจ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 มัคคารมนาธรรมมามัคคารุมมัคคาเหตุกาธรรมมาเป็นเหตุไปะเนทามุลมัคคาทิปติโนโธรรมมาคือปฏิบัติในอารมณ์อ น, นั้นในอารมณ์ที่เป็นกุศลอุปปนาธรรมมาเกิดขึ้นที่ดวงใจ อิตตาธรรมาอนาคตาธรรมาปัจจุปปนาธรรมาอดีตก็ตามอนาคตก็ตามปัจจุบันก็ตามภูกขาดจองขาดในพระพุพทธพระธรรมพระสงฆ์อยู่ทุกเมื่ออีตตาลุมอนาคตารุมปัจจุปปนานุมคราวใดโรควุ่นวายขัดข้อง<ม>ก็<ม>เพราะโลกแขนดีต่อพระพุทธศ า, าสนาไม่เอ่ยถึงพระพุทธศาสนาเลยขี้โอ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 มัคาเหตุกาธรรมามคาธิปิโนธรรมามักก็คือเหตุผลของมักก็คือผลของเหตุเหตุสร้างขึ้นที่ใจผลของเหตุก็มาหาที่ใจไม่ได้ไปที่อื่นจะสร้างน้อยสร้างมากไม่เป็นปัญหาเมื่อสร้างเหตุลงแล้วผลไม่ต้องประสงค์ด้รับกามส่วนควรค่าของเหตุจะปฏิเสธไปไหนมันก็ไม่ไป เมื่อพุทธธรรมสงส่งอยู่ที่ดวงใจรวมเกินกันอยู่แล้วแปดหมื่นสี่พุทธรรมขันธ์ก็เป็นแปดหมืนสี่พันพุทธธรรมขันธ์เดียวรวมลงแห่งเดียวที่ดวงใจศินสิกขาสิกขาคือศิลยิ่งก็ยิ่งอยู่ที่ดวงใจจิตตาสิกขาสิกขาคือสิจิตยิ่งก็ยิ่งอยู่ที่ดวงใจปัญญาสิกขาสิกขาคือปัญญายิ่ง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 รู้ตามใจตามเป็นจริงตอนไหนก็รู้ตามทำเป็นจริงตอนนั้นสงสัยใจตอนไหนก็สงสัยทำมวินัยตอนนั้นไม่สงสัยใจตอนไหนก็ไม่สงสัยทำอวินัยตอนนั้นถ้าพูดมาถึงใจแล้วปัญหาก็ไม่มากเพราะมันไม่กระชวยกระจายไปที่อื่นนโมก็นอบน้อมลงที่ใจ ธรรมโมก็าสงไม่ที่ใจสังโฆก็ปฏิบัติใจใจไม่มีประมาณโลคโกรธหลงก็ไม่มีประมาณการปฏิบัติเพื่อพ้นโลคโกรธหลงก็ไม่มีประมาณอยู่ที่ดวงใจผู้พ้นไปแล้วก็ไม่มีประมาณอีกเหมือนกันใจไม่มีตัวตนแต่ปัญญาปรากฏรู้อยู่กายมีตัวตน เมีทาทีดินน้าไฟลมมองเห็นด้วยตาใจไม่มองเห็นด้วยตาแต่สามารถเห็นด้วยสติปัญญาถ้าใจไม่ทําผิดดินน้ำไฟลมตาหูจมูกเล่นกายจะทําผิดที่ไหนถ้าใจไม่ทําถูกตาหูจมูกเล่นกายกายก็ทําไม่ถูกเพราะมันไม่ยืนยันมันจะทําอะไรผู้ที่ยืนยันอยู่ก็คือใจ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 สิ่งไหนที่มาบวกกับโมหะให้จัดขึ้นสิ่งนั้นไม่ใช่คำสอนของพระพุทธศาสนาด้วยสิ่งนั้นไม่เป็นมงคลด้วยไม่เป็นเอตมังขรมุตตรรมังอาเซวะนาจพารานะังย่าคบานชาชาเป็นมิตรควรนกคบบันทิตเมื่อใจส่งเสริมก า, มาเมวิตกพยาบาทวิตก วิหิงสาวมิตกอยู่ขณะนั้นไม่ควรส่งเสริ ม, มเรียกว่าไม่ครบคนผ่นานขณะใจใดที่บรรเทากามเวทุกพยาบาทเวทุกวิหิงสาวเวทุกขณะนั้นเรียกว่าครบบันทิดขณะใจใดที่สอดส่องธรรมของพระสมานพระพุทธเจ้าขณะใจนั้นเรียกว่าฟังธรรมธรรมะ ธรรมะสวรรใหม่ขณะใจใดที่เพลินในวตาสงสารขณะใจนั้นก็ปิดประตูพระนิพพานไปในตัว ข, ขณะใจใดเห็นไผในวตาสงสารขณะใจนั้นก็ดับเพลินในวตาสงสารไปในตัวขณะใจใดที่ไม่ปล่อยเวลาให้เสียไป ขณะใจนั้นก็ไม่ปล่อยเวลาทำไม่เสียไปเหมือนกันใจไม่รักใจก็ไม่มีอันใดจะมารักใจใจรักใจตอนไหนใจก็รักคำตอนนั้นใจเบียดเบียนใจตอนไหนใจก็เบียดเบียนทำตอนนั้นใจส่งเสริมใจในทางที่ถูกต้องตอนไหนใจก็ส่งเสริมธรรมที่ถูกต้องตอนนั้นใจยังไม่พ้นทุกข์ในวัฏฏสงสาร ใจนั่นจะนอนใจก็เรียกว่าใจประมาทใจใดจะสำคัญตัวเป็นผู้ฉลาดสักเพียงไหนก็าตามแต่ยังไม่มียานวดคนทุกข์ในวัฏสงสารใจนั้นเป็นที่พึ่งของใจไม่ได้ในชั้นสูงเต่พอเป็นนิสัยก็ได้อยู่ภัยในวัฏสงสารก็คือภัยของโลกของโกรธของหลงภัยของจิตของใจ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 ไม่ได้เอาอันอื่นไปด้วยความดีความชั่วใจเป็นผู้หมุกไปกรรมและผลของกรรมมีมโนกรรมเป็นต้นสายเหตุของกรรมทั้งหลายมีมโนกรรมเป็นนายกของกรรมทั้งหลายจะทำด้วยกายกรรมก็ตามวิจิกรรมก็ตามก็มีใจเป็นหัวหน้าในทางดีทางชั่วก็เหมือนกัน ด้านภาวนาก็คือภาวนาใจคนไม่มีใจก็ภาวนาไม่ได้ก็สติไม่มีภาวนาก็คือภาวนาเรื่องใจนั่นเองใครเป็นผู้ท่องเที่ยวในวัฏฏะสงสารก็คือใจกับกิเลสนั่นเองเที่ยวสิ่งอื่นไม่ได้เที่ยวดินน้ามไฟลมภายนอกไม่ได้เที่ยวใจดวงเดียวเที่ยว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 สมาธิโลกุตระปัญญาสินห้าไม่ใช่เป็นเรื่องเล็กน้อยเป็นเรื่องใหญ่โตโหดฐานสินแปดก็เหมือนกันสินสิบก็เหมือนกันสินสองรอย็ดิบเจ็ดก็เหมือนกันและก็มีศีลานุษสติอยู่ในตัวด้วยพราะเราลึกถึงสินที่ตนรักษาก็มีสมาธิอยู่ในตัวด้วยก็มีปัญญาอยู่ในตัวด้วย ผู้ไม่มีปัญญาก็รักษาศีลไม่ได้รักษาธรมาที่ไม่เป็นให้ทานไม่เป็นเชื่อในพระพุทธธรรมประสงค์ไม่เป็นเหตุนั้นปัญญาก็เป็นหัวหน้าของจิตใจและสติเพราะเป็นเป็นอินรียห้าเป็นพระห้าคือเป็นกําลังศรัทธาความเชื่อก็เป็นกาลังของใจวิทยะความเพียรเป็นกําลังของใจอยู่เนื้อใจ สติและเลึกชอบก็อยู่เหนือใจสมาธิตั้งมั่นก็อยู่เหนือใจปัญญารอบรูก้ก็อยู่เหนือใจอินทรีย์ห้ากอรียเพราะเป็นใหญ่ในจิตของตนความโง่มีเท่าใดความฉลาดก็มีเท่านั้นถ้าอย่างนั้นก็ไม่ทันกันมืดมีเท่าใดสว่างก็ต้องมีเท่านั้น หลงไมีเท่าไหรสิ่งที่ไม่หลงก็มีเท่านั้นย่นความหลงลงมาหนึ่งก็ย่นสิ่งที่ไม่หลงลงมาหนึ่งถ้าขยายความหลงออกก็ขยายสิ่งที่ไม่หลงออกเหมือนกันจะขยายหรือไม่ขยายก็ไม่สงสัยจะย่นก็ไม่สงสัยจะขยายก็ไม่สงสัยเพราะขยายออกกากไกลถ้าย่นก็ย่นลงมาหายใจหนักทางดีก็เหมือนกันทางชั่วก็เหมือนกัน นับมากก็มากออกไปจากใจนับน้อยก็น้อยลงมาหาใจสำคัญตัวก็สำคัญออกไปจากใจไม่สำคัญตัวก็คือไม่สำคัญใจพูดมาถึงที่นี่แล้วมันก็เป็นเอกราบาทเป็นเอกวัชนะมันเป็นพระหูวัชนะพหูวัชนะแปลว่ามากออกไปมากออกไปเท่าไรก็ยนลงมาที่นี่มากออกไปเท่าไรก็ย้อนมาที่นี่ ใจเป็นนามธรรมกายวายาเป็นรูปธรรมใจเป็นนามธรรมนามังปลว่าชื่อว่าใจจงเห็นใจกันบ้างจงเห็นใจกันบ้างก็แม่เห็นอื่นสิ่งไหนที่เบียดเบียนตนสิ่งนั้นก็เบียดเบียนท่านผู้อื่นเหมือนกันสิ่งไหนไม่เบียดเบียนตนสิ่งนั้นก็ไม่เบียดเบียนท่านผู้อื่นเช่นเราไม่ฆ่าสัต ก็ใจเป็นทู้ไม่พาฆ่าแล้วก็ไม่มีเวรกับสัตว์ก็ไม่เวรเวียนสัตว์ผู้อื่นก็ได้รับสุขไปด้วยเราไม่รักทรัพเราก็ไม่มีเวรไม่มีเวรไม่ภัยในส่วนนั้นท่านผู้อื่นก็ไม่ได้ระแวงเราด้วยนั่การเป็วิมทาชาาจารย์ก็เหมือนกันมุสาวาทก็เหมือนกันโุราก็เหมือนกันแต่ไม่ดื่มมันก็เมาแล้ว เมา ว, ว่าไม่เกะเมา ว, ว่าไม่เก็บเมา ว, ว่าเน่ตายเมารับเมารดเมารสเลเสริญบ้ารับ้ายศบ้าจะไปหายอยู่กับพระอรหันต์ส่วนพระโสดาวันบ้าหายไปบ้างแล้วไม่ขบดคืนอีกสักคาคามีก็หายไปกว่านั้นพระอนาคามีก็หายไปกว่านั้นพระอรหันหายบ้าหมดแล้วข้ามทะเลบ้าแล้วข้ามทะเลหลง ไม่หลงมาเป็นบ้าอีกส่วนพระโสดาวันบ้าฆ่าสัตว์นักชัพประพฤติผิดในกามข้ามไปแล้วบ้ามุสาพูดปดธุลาบ้าดื่มสุลาก็ข้ามไปแล้วไม่คืนมาเป็นบ้าอีกบ้าเลขบ้าผาบ้าบัตรบ้าเบือก็ข้ามไปแล้วบ้าถือศาสตราอื่นก็ข้ามไปแล้วบ้าถือเลิกกามดีก็ข้ามไปแล้วนั่นเรียกว่าพระโสดาวัน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 ยังเหลือบ้าโมหะอันละเอียดนิดเดียว่วนพระอรหันต์ข้ามบ้าไปหมดแล้วบ้าราคะก็ข้ามไปแล้วบ้าโทสะก็ข้ามไปแล้วบ้าโมหะก็ข้ามไปแล้วไม่เสียดายอยากจะคืนมาโลภมาโกรธมาหลงอีกเลยถ้าเสียดายอยากจะคืนมาโลภโกรธหลงอีกมันก็หนักใจที่ท่านไม่เสียดายคืนมาอีกก็เพราะมันไม่หนักใจพอเห็นมันเป็นโทษรนรวด สิ่งไหนที่เป็นโทษรนล้วนแล้วไม่ใช่ได้อยากร่วงละเมิดสิ่งไหนที่ยังไม่เห็นโทษรนล้วนมันก็ใช้ได้อยากร่วงละเมิดนั่นนัดนัมันเห็นโทษในการขี้เกียจมันก็ไม่อยากขีเกียจอีกถ้ามันเห็นคุณในการขี้เกียจมักง่ายมันก็มามักง่ายขี้เกียจอีกเหมือนกันถ้ามันเห็นโทษในการมักง่ายที่ขี้เกียจมันก็ไม่มาอีกเหมือนดึงขาเต่าน่ะ ถ้ามันเห็นโทษไม่ภาวนามันก็ต้องภาวนาถ้ามันเห็นคุณในภาวนามันก็ต้องภาวนาถ้าไม่เหนไม่เห็นคุณในภาวนาจะให้มันภาวนาอย่างไงน่ะน่ะนะมันไม่เห็นคุณในพระพุทธธรรมพระสมณพุทธเจาศาสนาจะให้มันเลื่อมใสอย่างไงน่ะมันก็เป็นไปไม่ได้เพราะมันไม่มีอิสระในมันมันก็มีอิสระแต่ทางที่ไม่เลื่อมใสไม่เคารพนับถือนั่น ในฐานะพระพุทธศาสนาจึงปล่อยให้เห็นเองไม่บังคับพระพุทธศาสนาได้คนมาเลื่อมใสแบบบังสกุลไม่ได้ค่มเหงไม่ได้กล้าด้วยพยาบาทเงินตาให้มีสิทธิ์เห็นเองให้มีสิทธิ์เลื่อมใสเองไม่ต้องเอาปืนไม่ต้องเอาศาสตราอาวุธบังคับศัตราอาวุธบังคับ มันก็ขบวดคืนนั่เช่นเราไปฆ่าโคฆ่ากระบือเหมือนกันฆ่าไก่เหมือนกั น, ก ม, น, กนมันก็ร้อง อ, ำ อ, ำ อ, ำอำ้ออ้ออออแต่ใจมันไม่ยอมมึงเถอะมันว่าอย่างนั้นนักนนักมันตายด้วยความจําเป็นมันไม่ยอมตายมึงเถอะมันว่าอย่ยางนั้นเหตุฉะนั้นเวียนไผ่จึงมีในวัตฏะสองสารธรรมกาวังพวโหตุ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 ในวัฏฏะสงสารวัตฏะแปลว่าหมุนเวียนในทางกองทุกข์สงสารก็คือหน้าสงสารหน้าสงสารที่เวียนว่าวตายเกิดในวัฏฏะสงสารจึงว่าวัฏฏะสงสารหน้าสงสารตนเองและท่านผู้อื่นที่มาเวียนหวาตายเกิดในวัฏฏสงสารและสักอื่นกรุณาความสงสารที่จะช่วยคนทุกข์ เมตตาความรักใคร่ราชนาะใ้เป็นสุขอย่าไม้มีเวรในภัยกันก็ณาความสงสารชิดจะช่วยคนทุกุูิตาความพลอยเมื่อผู้อื่นทาดีเมื่อผู้อื่นได้ดีไม่ขิ่หึงเขาทำดีก็พลอยยินดีด้วยตอนไหนมันมันถูกตอนไหนมันไม่ถูกก็ไม่พลอยยินดีด้วยมิตรดีสหายดีพ่อดีแม่ดีตอนไหนทำดีก็ส่งเสริม ตอนไหนทำชั่วก็กีดกันนันเรียกว่ามิตรดีสหายดีพ่อดีแม่ดีครูดีอาการดีหมูเพื่อนดีไม่ใช่ว่าทำชั่วก็ค่อยตามทำดีก็ค่อยตามต่อหน้าเขาว่าสรรเสริญรับหลังตั้งนินทาแบบนั้นใช้ไม่ได้ไม่มีในพุทธศาสนานความผิดก็เป็นอาการเพื่อให้เคล็ดลาบความถูกก็เป็นอาการ เพให้พยายามรักษาไว้พระเนพาลเนื้อผิดเนื้อถูกไปแล้วจึงเนื้อบุญเนื้อบาปไปแล้วเพราะความผิดก็ละพอแล้วเพราะความถูกก็เจริญพอแล้วนะทำทั้งหลายเป็นของว่างก็จริงแต่ว่าว่างประทางบาปควรเจริญเอ่อควรเวทว่างประทำบุญควรเจริญทำทั้งหลายไม่แค่ตัวตนก็จริง แต่ว่าทางบุญเป็นควรเจริญทางบาปเป็นควรเว้นเว้นไม่แต่พ้นทุกแล้วในวัทรสงสารถ้ายังไม่พ้นบาปก็วางเสียบุญก็วางเสียก็เลยไม่ได้สร้างอะไรมันก็ไม่ถูกค่ะค่ายกับคนไม่มีงานงานคือเงินเงินคืองานบรรดาลจบบุญคือสร้างขึ้นทำให้เกิดให้มีที่ดวงใจเพราะใจเป็นผู้สร้างมีอิสระแล้ว เข้าใจไม่เป็นว่าใ้เสียจะเด็ดผิดมนุษย์ทานะไม่บุญท้าเด็ด้วยการบริจาคทานศี้อนะไมยบุญท้าเด็ด้วยการรักษาศีลภาวนาไมัยบุญท้าเด็ดด้วยการเจริญภาวนาอภิจารณะไม่บุญท้าเด็ด้วยการประพฤตถ่อมตนแต่แต่ท่านผู้ใหญ่เวียวัจจะไม่บุญท้าเด็ด้วยการช่วยคนไข้ในจิตที่ชอบปกิานาไม่บุญท้าเด็ดด้วยการให้ส่วนบุญทําบุญแล้วอุทิศไถ่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 เราให้เป็นทานเราให้เป็นธรรมแล้วผู้อื่นจะเอาหรือไม่เอาก็าไม่เป็นปัญหาเพราะเราไม่ท่วมไม่เสียเรงไม่เสียคิดถุกชุกรรมตานทำความเหอนแนตรงเห็นว่ามีบาสมีบุญก็เป็นบุญกองหนึ่งเห็นว่าบาปมีบุญมีมักผลเนีย ม, มากานมีคุณครูบาอาจารย์มีคุณท่านผู้มีคุณมีคุณเทุดาเทวดาพระอินร์พระพรหมพระยมพระการจะตรกอกกบาลทั้งสี่ ทลอดทั้งไปโลกธาตุที่เมคุณรวมคุณทั้งหลายไปเป็นเมืองขึ้นของพุทธคุณธรรมคุณชังคุณพุทธคุณธรรมคุณทังคุณเป็นเมืองขึ้นของพระนิพพานคุณพระพุทธธรรมสองประรวมคลียวกันอยู่ที่นั้นไปเองเครื่องดึงดูดไปเองเหมือนอากาศดึงดูดน้าขึ้นไปเบื้องบน แม่บ่กสามทิบนาที่หรือว่าหาเนาะแม่บอกแป๊ดไงห้าทีมเอ็ดไงอะไนอกบานนี้เนาะยถาวาลิวาหาภูลาพริลปเรนติสาคลัง เอวเมวะเอโฑเทนังเปตานังโลภคปติวิชิตังวิชิตังตุมหางคิปเมวะสัมมิจตุสเภปูเรนตูสังกปากันโทปนารโสยธามณิโชติยโสยะาสัพีตโยเยวัจันตสัพพตุโคสัพพโยสัพพโรโวเวนัจตุมาเตผวัตวันตรายสุขีทีคายุโกผวะอภิวาธนสีนิสานิจังมุทาปชาญูจัตตาโรธมาวัต ปันติอายุวันโอสุขังพระรังผู้เทศก็เอาใจเทศผู้ฟังเอาใจฟังก็มันล่ำมัดขึ้นมึงไอ้กอดเก่าอัดเก่าหันแล้วขณะนี้ผู้ใดที่มาอิงก็มาสักข้าผู้ใดสงสัยอย่างกูไม่ได้สงสัยหรอกนาะ